จะกราบบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรมเจ้าพระสงฆ์เจ้พาพร้อมไปด้วยหมู่ส้มพร้อมไปด้วยทางมัชฌีเราบาปิการทั้นมากับบาสกที่เราได้บำเพ็ญบุญซึ่งการเข้าถึงพุทธาศาสตร์สนนักของสมมาสมพุทธเจ้าที่ยังคระที่หน ธรรมเทศนาส ก, กีนี้เมื่อเราจะต้องระวังวางระดับจิตใจของเราให้เข้าถึงอย่างนั้นจึงจะพอใจใ น, ในของเราเมื่อใจของเราทำอย่างนั้นดีแล้วก็วามเพศธรรมเทศนาแล้วก็จะมีปีติความอบอิ่มใจ ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จักความรักในใจของบุคคลทั้างล่างที่ทำมาเทศนาเป็นเครื่องอัจจริยธทําให้บุคคลบรรลุธรรมเบื้องตุนได้ mm hmm. าะอันนี้แหละเมือ่อจิตใจของเราตกตกมไปแล้วเี่ ก็ควรจะต้องยกจิตยกใจของตนเองใครเล่าจะเป็นที่ที่พึ่งของเราได้ถ้าเร า, าทำจิตใจของเราให้ถึงในพระคุพรธรรมพระสมว่าเป็นที่พึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็จะเป็นพระคุพรธรรมพระสมขึ้น ในพุทธาศาสนาของสมัยพรุทธเจ้าก็จะเปิดในดวงจิตดวงใจของเราอย่างแน่นอนทีเดียวเมือ่อนัก บ, บวชทําใจชวนเลขนก็ยังไม่ทำใจให้ตึเป็นที่พึ่งของเรานะล้วเพราะในโรุธ า, าสนาของสมัยพรุทธเจ้าของเราแต่ดยดี ที่เราจะตั้งความดีอยู่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจะสร้างตนให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราจะต้องพยายามจิตใจอเ น, นี้ให้จิตใจที่วันไหวโยกโลงคล่มแคลนพยายามจะต้องทำจิตใจดวงนี้ให้ดับ ธรรมะที่เจริญขึ้นจะไม่หวั่นไหวทำนั่นก็จะเกิดมีกิดหนะ <c oughs> นักิบัติบะเพราะอันนี้อของพวกเราธรรมะคำตั้งตอของพระองค์เนี่ยน่าจะได้ที่ท่านประทานไว้ให้กับพวกเราแล้วพวกเราทำไมเอาแล้วใครจะเอานี่เพราะ จะไปว่าคุณโน้นจะไปว่าคุณ น, นี้ไม่ได้เพราะตนของตนควรทำตนให้เป็นที่พึ่งพร้อมกัด้วยทางพิสุท์และสบบนนมณีทางลบาสิกามมชีนะลรับเพราะอันนี้พวกเราเรานะลรับเหมือนต้นไม้เล็กๆถ้าเราทิ้มมัน ที่เกียจรถนำควรดินแล้วคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คงไม่เกิดขึ้นกับเราเนแน่นอนเสียเพราะพยายามส่เรียกว่าสบายบุคคลก็ดีสบายอาหารก็ดีเตนาสนะสบายก็ดีสบายสี่นี่แหละ ที่ไหนที่พอสมควรแล้วซึ่งให้ตั้งตั้งอยู่ในถสาที่นั้นมรรคจะเกิดได้กำเราจนี่อันนี้ของพยาเดียวพึงว่าพยายามเอาโลกกวดลงที่ในใหัวใจออกให้จงได้จึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติ จะให้เข้าถึงในประพุติประทำประสมเป็นแน่นอนทีเดียวสิ้นเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราสิ้นรักษากายวาจ า, จาใจเรียบร้อยเป็นสิน้นเช่นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือติดเป็นผู้ผู้เห็นสัมมาสัมโปความดาริชอบดำริออกจากการ สมาวาจา่าวว่าจะชอบเป็นผู้นึกแล้วกลา่าวอันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งพึงรักษาสิ่งให้ดีให้ทำอินทรีย์จังหวนให้เรียกร้อยพึงจะได้ผระมพาะาเกิดในใจของนักปฏิบัตินี่ สิ้นเท่านั้นเท่าสิบ น, นี้ไม่ดีแล้วย่อมจะไม่นำมรคลเข้ามาสู่ในดวงจิต ด, ดวงใจของเราได้ไเพราะอย่างนั้นเราจะต้องสารวมระวังอินทรีสงวดสำรวมระวังให้มากแล้วเราจะได้มรคลขึ้นเกิดขึ้นกันเราเหมือนเครื่องสการกบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเราที่ บนเทียนขว่าทุกครั้งมีทั้งทุบเทียนและอยู่ในในในหมือของเราที่าทาสการะ บ, er, บูชาพระพุทธเจ้าไปทุกครั้งด <realmente> ันศักรบพวกเราทำอันนี้ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อให้เข้าถึงในพระพุทธประจักรประสริเหมือนว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่จำเพาะนั่งอยู่จำพาะหน้าของเราที่เราได้ทำทักสิ้นไปสามสามรอบสามรอบเหมือนสมัยที่พระองค์อยู่สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะนิพพานแล้วจะต้อง เพาะขึ้นไปแล้วจังทักสินไว้สามรับกราบพระองค์แล้วก็ขึ้นไปอีกเพาะขึ้นไปอีกทาทักสินอีกสามรอบแล้วก็ลงมากราบพระองค์กราบแล้วก็ทักสินอีก ตามรับกล่าแล้วจึงประสนานนี่นี่แหละเรื่องคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมชจาพระสงฆ์เจ้าแล้วพวกเราที่ได้มาเตรียมกายใจของเราเอาเป็นเครื่องสการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าบุคคลใดย่ามแม้แท้จะไม่ต้องทรงสั่งเลยนี่เพราะอย่างนั้นทังล่า พวกเรารายังทำศรัทธานี่ยังไม่ถึงพร้อมซึ่งเงินทองทังลาเราก็ปราสจากกันได้เว้นแต่ยังขาดอยู่ความโลกกดลงอย่างปราสจากกันไม่เก็จะได้เนี่เพราะเพราะมันคุ้นเคยมาสนานแล้วเนี่ เพรยงงั้นพวกเราจะต้องทําความมีศรัทธาให้แก่กล้าในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจา้ามากเราบูชาพระพุทธเจ้านั่นะบูชาให้มากเข่ามากข่าวมากข่าวปิติศรัทธาความเชื่อความเริ่มสั่งก็จะแรงกล้าขึ้นก็จะทําทให้บรรลุมรรคผลซึ่งอันยิ่งใหญ่ของเราได้ ถึงว่าเป็นผู้มีเมตตาความรักใคร่ตนเองกรุณาความช่วยตัวเองให้ผุนทุกทามันหมดโกรธละตัวเองก็ต้องผุนทุกมุติตาความโกรธไม่มีกระดังแลวความความยินดีความปลักลื้มในพระพุทธเจ้าแล้วก็สทาวะยินดีกับตัวเองที่เราทำได้จนถึงี้ อุเบกขาเราจะวางไม่ใก็ได้แม้ใครจะยั่วยวนให้โกรธเท่าไรก็ไม่ไม่โดนก็ะจะไรู้ตัวว่าตัวเองนีถึงอุเบกขาแล้วใจถึงอุเบกขาปัญญาก็ารู้ความเป็นจริ ง, ง น, นั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่นพอกขันอยู่นอกขันอะ่างนเพราะพวกเราเราก็จะต้อง จะต้องฝั่งเทศลวเราจะต้องให้รู้จักความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ลงมือทำทำใจให้ลุน่นนทำบุญกันเ ท, ท, ท่าไหร่ก็จะก็ไม่เท่ากับเราทำใจนี่คอยพวกเราได้ได้ดีใจคุณสมบัติชั้นสูงชั้นเยี่ยมก็ ไม่เกินที่สัมมาปฏิบัติยังจิตให้ถึงพร้อมในพระพุทธในพระธรรมพระสูตนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ถึงเข้าถึงสัมมาปฏิบัติจึงว่าปฏิบัติบูชาพระองค์นั่นแหละจึงจะเรียกว่าที่สูตในพระศาสนาในวาจิกาศาสนาในแมติสศาสนา ขพระมาสพพุทธเจ้าของเราเป็นผู้นำเป้าอยู่จะาำเพาะนาในเรื่องพระพุทธเจ้าของเราเนี่เพราะอันนี้เพราะที่บุคคลที่จะทำทําไดยากที่จะทำเรื่องของพระพุทธเนี่ยพระธรรมพระสมให้เขาถึงหัวใจเป็นของทําไดยาก เราย่าั้นหละเราจะต้องกล่าวกันแล้วกล่าวนอีกเหล่านี้เพื่อให้ถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทิ่ใจแล้วนั่นแหละเป็นผู้ทําให้ลานวัดในของผู้ปฏิบัติศีลอาฆวะของผู้ปฏิบัติก็จะเกิดที่กายใจของนักปฏิบัติ ดอกไม้หรือดอก บ, บัวสามล่างก็จะเกิดขึ้นกับที่การใ่ขคนท่านแล้วก็เท่านานาไม่มีนำใจไม่มีแล้วดอก บ, บัวจะขึ้นยังไงได้ต้นบัวดอก บ, บัวจะขึ้นยังไงได้จะต้องอาศัยที่ปลูกขุดจ่า แล้วนำเอานำมาใส่สระแล้วปลูกถ้าปลูกบัวขึ้นไว้ได้แล้วบัวก็คลจะออกดอกแล้วออกแล้วอดหรือออกมักพ่นให้กับผู้ผู้บริโภคคนคนอยู่ในวัดได้เนี่คนรักษาวัดมืด พระทรงนำนำมาใส谢谢่จระแล้วย่อมจัดทั้งหลายมาทั้งสิททั้งไปก็ได้กินได้อาบได้สการะปูชาก็ไม่มีความเดือดเนื้อรอนใจอะไรก็ขึ้นก็มีความมีน้ำกินน้ำอาบแล้วก็เป็นที่สบายกายสบายใจซึ่งเรียกว่าวัด ในคำสอบของสมัยพระปุทธเจ้าใครไม่รู้จักวัดแล้วจะรู้จักธรรมของพระองค์ยังไงได้นี่ธรรมะของพระองค์นะั่นท่านทำไว้สาระอกแตกก็มีนี่ทาพระที่ดีก็มีนี่ทรมาสาระกรรมที่กว่าเฟอไม่มีบ้างหรอ เรียกว่แต่ลาของคุณจําสิ่งนี่ไม่มีบางนันไม่มีและไม่มีทั้งวันโล่งๆนี่เปิดเผยมากเพื่อเพื่ออะไรเนี่ <S <S เรวันอ้านี้เราที่พรุงทำทำไว้เนี่ย <c oughs> ทําทําเรื่องของในกายใจยของพวกเราทงนั้นนี่ย ของคุณมีสิ่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนี่แต่ลายาณนะแต่ลายาณะก็ไม่ใช่ก็คือผู้ตายจึงเป็นกัจจของเราเนี่เพราะเราทั้งลายก็ควรรักษาผู้ตาย รักษาญาณนักไว้ดีมืออิงรีสังวรจึงรวมไว้ดีแล้วยานย่อมเกิดกันหนักกว่าทิบัิเพราะอะไรที่จะทำลายไม่ยานเกิดขึ้นกนักปว่าทบัติได้เพราะจิตใจไม่สงบ <c oughs> จิตใจไม่สงบแล้ ว, วก็กระเราข้งล่ะ ตาเรามีฟู้เรมีจึงว่าผูเป็นวิชาแล้วได้ยินเสียงที่ดีมั่งชั่วมั่งเป็นผู้มีปัญญาทั้งหูจึงว่าทิพย์ประโถดทิพย์ประจักผูกละเห็นดีเห็นชัว่วตาของพระอริยเจา้า จะรู้ความเป็นจริงสร mm hmm. ้างไวยดีให้หมีขึ้นจะได้รู้ที่หูได้ยินตาได้เห็นธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างตัวเองให้เป็นพระอริยเจ้าตา mm hmm. เพราะกิเลสนี่มันไม่รู้จักไม่รู้จักธรรมะจริงๆนี่ตาที่เราสุบวัดเนี่ย เขาข้าอยู่เป็นเนื้อเมตเขาเราเท่าก็มีผู้ทิพยอยู่ในวิทยุเนี่เขาข้าพเมืนนองนักตระไรตระุตระเวทไปที่คารพดีเนี่ยคนไมกก่ได้ค่ากันนะอำเภอเอ็นฆ่าเนี่ยน้อยไมกก่ได้ค่าไม่ ก, ก็คืมีกับใายาค่ากันที่ในกรุงเทพเน่ยที่ลึกคนมากที่ไหนค่ากันที่นั่น เพราะอยังนี้พวกเราหน้าจะหลบใจไหมนี่เพราะนี่แหละเป็นธรรมตัวนั้นแหละเป็นธรรมตัวที่เขาข่ากั น, น, นอลยธรรมย่อมไม่ความไม่มีเมตาตากรุณาอะไรเลยดุดประดังเหมือนว่ายักษ์ที่มันก็ะหายเลือด มันจะดูดดื่มกันอยู่ไม่ขาดี่พวกเราเราจะไปขิดราคิดรดดวยอะไรเรามารวยสิ่งรวยธรรมมารวยในธรรมะคําสัสอนทุกเจ้า mm. ก็เดี๋ยวก็จะตายแล้วี่ mm. ก็เดี๋ยวก็จะตายแล้วจะไปเอาอะไร ิงเงินก็เท่าไรก็ไปไม่ได้เดินทางว่างงอกไปนี่รดไปความไปตายแล้วจะเอาอะไรไปรับหน่วอีกนี่เงินทีน่บ้านอยู่เป็นเป็นละลานเป็นโกโก้จะไปได้นี่เราะพวกเรามั ทำไม่เทียบคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพวกเราพรหมมิหานศีไม่มีเลยความรักใไร้ตัวเองสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยแล้วที่ไหนเลยจะไปรักคนอื่ น, นแต่ตัวเองยังไม่รักอยู่แล้วยังทําำลายตัวเองอยู่แล้วก็ให้รู้รู้คําสอบพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะได้ดใจ ว่าอันนั้นหับไปแล้วอันนี้ก็ขึ้นกระหีกแล้วอย่างนี้แล้วพวกเราจะได้ดีใจเราเป็นปู่าาย่าตายายของของคนชาว บ, บ้านลูกเล่นเล่าเราก็ทําพระให้มีพระพระผู้มีพระภาคยา่าเป็นผู้มีพระที่พระผู้มีพระ เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนี่ปฏิบัติยังไงแล้วถึงจะมีพระปฏิบัติยังไงถึงจะผู้มเป็นผุ้มอีกครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่ดีแล้วพระจะมีพระยังไงได้กายเป็นพระแล้วแต่ใจไม่เป็นพระเลยจะมีพระย้งไงล่ะ พระอุ้มมีพระจะปฏิบัติไงจะเข้าถึงพระได้พระจะได้เข้ามาอยู่ไนคระนี่พระอันนี้แหละอัตมาก็ที่กล่า น, นี่ก็หมายการว่าจะให้ญาติโยมทั้งหมดด้วยกันนี้หละที่นั่งพร้อมขึ้นนี้เพื่ออยากจะให้ได้ธรรมะในเรื่องของพระพุทธเจ้า ที่มาเกิดในกายใจของพวกเรานี่พราหักว่าเราทั้งล่าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่ประษษษษษพุติริดธระมุสมทน น, นทานเสียงไม่เข้าหูเลยนี่เพราะอันนี้เป็นธรรมที่ที่มันระดับกัน ทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายใจอยานะหกมันไม่ให้เปิดให้เลยนี่เพราะอันนี้แหละ น, นี่และที่คนปฏิบัติบรรลุได้ยากเพราะจะต้องบำเพ็ญอยู่นานนี่เพราะที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมรรถระวังไว้ดี อันนี้กิเล็ก็เข้าเข้ามาอยู่ที่การใจเราไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาอวัยะตนะนี่เป็นผู้รักษาผู้ตาจมูกเรียนก า, ายใจไว้ดีจินสีทำให้แก่ตาเป็นธรรมขึ้นกับเร็วธรรมนี่เพราะอันนี้ขอพวกญาติโยม พร้อมด้วยพระภิกษุรสมนีพยายามฝึกตัวเองการอยู่ตัวเวทีการตนเองให้มากแล้วจะได้คนอื่นๆหรือคนทั้งหลายๆเขาจะได้รู้เขาจะได้เห็นบ้างและเขาจะได้ทําตามเมื่อเขาทําตามแล้วเขาก็ได้ เทาก็เขานาเอาครบปลูกไว้จะแปลงเขาไปใส่หัวในนาเนินนาขา้าวข้าปลูกของเราดีไม่ไม่เป็นมอดเป็นเพลียและขอไปทําก็ต้องดีเพราะข้าพรใ น, ในใจใหลวงโสดาสกิตาคาอนาคาพระหัตเป็นปันใจจัยในเบื้องหน้าก็เป็นอันดีของเราชาตินี้ยังไม่ได้ แพร่หันเราก็คึ่พระสดาปฐมฌานพยายามยาง้งจิตให้เกิดเมื่อจิตสินส้นดีแล้วปฐมฌานย่อมจะเกิดขณะปฏิบัติจนได้เนี่เพราะบุคคลนั้นไม่รู้ตัวเองที่ปฐมฌานเกิดขึ้นกับตัวเองนีง่มีหวมดับไปชั่วขณะขณะหนึ่ง ถ้าสิ้นไม่ดีแล้วถึงมีหวอดับมันก็เป็นแค่ชานถ้าสิ้นดีแล้ ว, วมีหวอดับหมดโซดามัคขยาเพอึงกับผู้ปฏิบัติเพราะยังนั้นทุกคนทุกคน่คนังด้วยการนักบวชควรจะรับทาบจิตที่ดีกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วจึงจะควรมักคนุนกับปถมฌานจึงจะเกิด มีกับโปรแกรมมีไม่ต้องเชื่อใครปัิธรรมย่อมเห็นได้ตนเองตามคำสั่งสอนของสรรมาสชาุธิเจ้าอย่างแน่นอนเราจะเอาข้าวปลูกของใครดีข้าวปลูกของพระพุทธเจ้าพระสรมัมมาจารพระสงฆ์เจ้านั่นแหละถึงจะเป็นข้าวปลูกที่ดี แล้วเนื้อนาที่ดีของเราทั้งล่าใจลงไปแล้วย่อมให้หมักพุนอย่างแน่นหนทีเดียวอย่างไม่ติดว่าไม่แห้งไม่แหลในการเรื่องไม่เหมือนไม่เหมือนนาหนาของคนแก่โลกคนไม่โตก็ไม่แหง้งไม่แหลมไม่ตาย นี่นำมาก็ไม่ท่วงนี่เนื้อหนาของประปุตตจ้าเป็นเนื้อหนาที่ดีกาเนื้อหนาที่ดีนี่ฝนไม่ตกก็ไม่แหง้งไม่แรงไม่ตายนี่นำมาก็ไม่ท่วงนี่เนื้อหนาของพระปุตติ้าเป็นเนื้อหนาที่ดี การเนื้อหนาที่ดีนี่เพราะอันนีแหละถึงจะที่พระสเทธกียรถึงจะควอมภัยสักเท่าไหร่ก็ก็เนื้อหนาของท่านกมไม่แห้งไม่แหลพอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้ากล่าวพุทนาพระสุตภปติมักก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ บิ ด, ดามันดาครูบาอาจารย์ที่ดีผู้รู้กาตันยูตเวทีผู้รู้มีขุณก่อนก่อนท่านและท่านจึงตอบแทนในการเผิบันนี้แล้วมักผลพอได้ยินเสียงในเรื่องของพุทธเจ้าถึงนั้นแต่องค์ทิิเตียนด้านทางหลากท่านก็ไม่ได้ไปถือประโยชน์เอาที่ องค์ิติเตียนท่านก็ได้จากองค์ติเตียนนั่นแหละแล้วพระพุทธเจา้าพึงกระเทือนและวิสุทาังหลักดังนั้นก็ต้องเอาอย่างใยที่พระองค์สาธุสาธุไงและพวกเราเหล่มมานี้แหละธรรมะที่ชั่วเๆถ้าเราเราทําใจกันได้ก็จะรู้ได้ว่า ข้าวนีมันงามที่ปุยยอะไอ้ปุยหน้าบ้านหลังบ้านนั่นะข้าวมีมรกพนดีปุยมันดียอะที่ที่ที่ที่ยืนั่นแหละข้าวดีรวมแล้วก็มีหลวงมีอะไรออกดีแล้วก็ได้พ้นดี จกิดราำกิดรวยกันไปถึงไหนวันนี้ก็ขายผักและวอนนี้ก็นาเหมือนก็ไปซื้อผักอีกแล้วก็หมอปลูกผักสู้ปลูกพระพุทธพระธรรมพระสมโฺยไมนใจดีกว่าวมาั้งทุกๆคนนั่งแต่อัตมาที่ที่ความหมาทถึงไรนีก็ก็ยังคิดถึงยาเียง ถึงเจ็บจะปวดเท่าไรกอดตาถ้าบวดจะหมาขึ้นงี้ใครห้ามก็ไม่เชื่อ mm hmm. อะไร mm hmm. ถ้านอนอยู่โลกก็สบาย mm hmm. ไปก็สบายอยู่ก็สบายเพราะมีธรรมะอยู่ในใจอะไรกัน mm hmm. ถ้ามันไม่มีธรรมะอะไรอยู่ที่นั่นก็ไม่สบายถึงแม้นอนก็ไม่สบายนั่นดูสิ ท่านบอกครัแม้แต่จะเจ็บปวดสุดเท่าไรยังขัดสมาธินั่งกรรมฐ า, านชนนาคตังอยู่จนสามสิกนาทีวันดีของของปวดของเจ็บด้วยวันร้ำนี่มันเป็นวันดีวันดีของทุก แต่ยังนั่งทนได้สาสินาทีนี่ขอให้มีคนมาท ร, รมะเมื่อไรไม่เต็มที่จะเลิกกันนั่นแหละเพราะอันนี้แหละเป็นธรรมที่ละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังละลึกถึงพวกเราอยู่เท้าเทวดาจันไม่มา เราก็คงจะมานั่งกับพระธาตแต่เราก็ความเปลี่ยนใจเปลงใจสถานที่ของข้าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างพระคนเก่ายังไม่มีธรรมะคำ ส, สอนสุกโท่าไรยังไม่มั่นคงสักเท่าไรเราก็เป็นคนคิดเปลงนใจถึงจะอยู่ที่ไหนถึงจะลาบากลำบนก็ไม่เหมือนกันที่เรา คืจะค่สบายแค่สบายยังไงก็ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละอยู่ที่โน่นอาหารก็ไม่ได้อดอย่างมีแต่อาหารของให้อย่างดีๆแต่มันก็ความคุ้นเคยก็ยังไม่มีความอาารอ่รอยก็ไม่มีเหมือนเพราะเราแม้เส้นยาอาหารไม่ดีก็ตามก็พอใจพอใจอยู่นี่ เมื่อพอใจอยู่ละมีหรือไม่มีบริโภคอาหารไม่เป็นใหญ่สู้อาหารทั้งใจไม่ได้คุณพระพุทธธรรมประสมเป็นที่สบายสบายกายสบายใจของลักปฏิบัติสุกั น, นจึงว่าสัมมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละพระสงฆ์ไทยแม่ทีไทยก็จะก็ได้เกิดขึ้นในกายใจของพวกเรา คำว่าพระสุนทไทยนั่นแหละพระอริยเจ้าเมธีไทยอุบาสิกาไทยนี่นั่นและเป็นเรื่องของพระริเจ้านาหนึ่งตัวของเรานี่ยแหละเป็นตัวสมมุิเท่าจริงใจถึงขั้นวิมุตต์แล้วตั้งพระธุดาบ น, นี้เป็นเข้าถึงพระศาสนาของสมัยรพุทธเจ้า เป็นเข้ามาถึงใจแหลมเราได้สการะบูชาท่านมาในนั่งอยู่ในหัวใจแลลวจึงเรียกว่าสดามัคยานมีความรู้ในเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเป็นเข้าถึงพระศาสนาพรสธัรมพระพุทธเจ้าจริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเจ้าเป็นของเรา พระสงข้าเจ้าเป็นของราอย่างนี้จึงพระโสดาไม่ไม่ยกโลงหมดความปฏิกรงค่ะนี่ก็ท่นนานทางด้าจากปฏิบัติหันนะหันหลังหันน้าหันล ห, น ห, นหนลังเลยพระพุทธศันไม่เข้าถึงในคนคนไม่เข้าถึงพระธรรมกัสัมมาสัมพองค์ ถามตัวเราสิเมื่อมันถอยมาถอยเราตายหรือเปล่านี่โดยนม่อเอาอะไรไปได้โปรแกรานี่นขอให้ถามตัวเราอย่างนี้แล้วจะได้จะได้มีบรรหาได้มีปุจฉาธรรมมีวิสัชนาในตนเองนี่ แล้วพระองค์ก็จะได้ดีใจว่าลูกเราเป็นผู้ฉลาดนี่ฉลาดฉลาดในการทําใจนี่แลเรารู้แล้วอย่างไม่ยกไม่คล่องแล้วแก่แก่เป็นปัจจุบันของเราแล้วเมื่อเอสาวๆนี่ก็ายังไม่รู้จักความแก่ทาไมจะความแก่ก็นั่น อันหาบยังครอบงำนี่เมือ่อหน้าครอบงำแล้วก็ความตายก็ไม่มีของขา้าวตายก็ตายตานี่เกิดมาแล้วก็ต้องตายตรานักมาเข้าใจพูดอยนี้นี่ไอความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันมีอยู่คนสมัยไม่ศึกษากิเลสย่อ ก, กลัวตายที่ลึทําไม่กลัวตายนี่ ของดีนิดเดียวเท่าเซนสมแต่ของชั่วเท่าฟุกรรเจ็บปวดเท่าฟุกรรความดีนิดเดียวมันบังไว้ได้ดูสินี่นมันบังได้เฉพาะคุณงโง้ท่นั้นเองคุณฉลาดมันบังไม่ได้เพราะอยังงั้นพระองค์ท่านประธานประธาน ไว้ให้พวกเขารับผู้มีสถัทานั้นแหละผู้นั้นเป็นปัญญามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระศาสานาเป็นปัญญาโน้นเขาตีลองจับดวงวิญญาณของคุณชบาบ้านไอเสียงทันนี้แหละขอบทิ้แงแข่งวันละรอยเล่นจะดีกว่า นี่บามันี่ีระเพยุกลราพวกเราก็หอกทิ้มบรรลยเล่มจะดีกว่าพวกเราจะคิดยังไงกัน น, ก น, น, ก น, นี่เมื่อหอกทิ้มเราวรรลอยเล่ม ได้ราก็ตาอย่าไปสู่สวัสดิ์สมบัติในฝากสมบัติไม่ดีกว่านี่ก็าตายแล้วตายอีกไอ้เจ้าปัญญยมันฆ่าเรามันฆ่าเรามันฆ่าคนโง่เมืนคนมีปัญญาแล้วมันก็ตามอะไรของไม่ได้ <c oughs> ไปลกมาขมังสน ลุกนั่งข้นปั๊บมันจะได้ ห, งงงนห้นั่นอนัเนี่ยยากนอนรถพวงรถพูใช่มั้เ ก, ก็บวางใกล้ๆนังกู ก, ๆๆ ก, ก็กล้ๆมัสมบู เราากไรไม่ออกเ อ, อยเปิดฟังเทศมหาชาติแล้วก็ตาดูตาใสนะฤฤฤฤฤฤฤ่ดูพวกระมุงมีตราพอ กวม้เยากมเดี๋ยวไปรื่อาอะไรพออวุจฉาอวามันงบัปลางยเลยไม่ไปดีกว่าเดียว ใหญ่ให้มันหนานะ้าดู่หลังไม่งม่ ง, งนะพระโมกลาได้พระหันกับพระองค์เที่ยวเป็นลุกหน้านะคุณคุณนกน้อยพูดนะมองดูดวงดานะในคืนวันั้นพระโมกลาไม่ลุกพระหัตแค่มีหวังด้า เขไม่ได้พระองค์นี่ไม่ได้แล้วพระพร ะ, พระมกุฏราชได้เป็นพระสดาแหลงดูเถิดนี่เพราะอันนี้และสำคัญมากตัวงอาองาขอกขนอนนี่เป็นตัวปิดปิดถานแห่งพระอริมยมกิดได้เพราะพกเราัราท่านได้พยายามให้มากพระองค์จึงไห้ทาอิริยาบุตสี่ ทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืนให้เรียนนี่เพราะอันนี้เหละสำคัญมากบัดของเราพยายามพยายามยำก็ให้มากมากทีเดียวจะได้เขาถึงพประคุณธธประสามเพิ่ม ต, ตัวระยงนี่มันต็กล้า ค, คุณนี่ลง ง, วง่วงนานนอนอะไรชอบเส้นทีชอบไปชอบไปทาง น, นดีมันไม่พูดกับใครพูดสิ่งชั่วๆนี่คนพวกเราเราจะไปเชื่อมเพราะอันนี้ที่อมาจารยมาบอกหนำมาบอกเรื่องจิตใจใครจะรู้ใจเท่าตัวใจของเราได้ เมื่ออภรตุจ้ามวยที่ใจประํามวัยที่ใจะสมวัยที่ใจก็จะรู้จักที่หัวใจของต so ัวเองเป็นแน่นอนทีทุกทุกคนนั่นแหละทุกๆไม่ทีนี่แหละท่าตามมาครับต้องวังเป็นได้ไปแม้ถึงจะมีความโกรธความฉักอยู่บ้าง ก็อำนาจที่ขันติบารมีที่เนคข ม, มะสังกโตที่ทนต่อตามมุณอยู่ได้นี่มีอนุภาคบ้างแม้จะมีความกรดอยู่บ้างมีความชังอยู่บ้างก็ดีอย่างพูดเพอ้อเจออยู่บ้างก็ยังมีคุณสม บ, บัติอันสูงสุด ที่เราถือเฟสอากังกำลังประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งกิเลสตัณหายังมีอยู่ก็ยังมีขันติความอดทนดีกว่าก า, กาผู้ไม่มีขันติความอดท น, นอันนี้แหละที่จะนำพวกเราไปสู่ในสวรรค์สมบัติในปาาสมบัติได้อย่างแน่นอนายังพวกเราไปและพวกเจ้าบ้านแค่ไหน <enders. S 2> ขอให้ตดใจแต่พวกญาติโยมนี่มารักษาบวชสดวันหนึ่งคืนหนึ่งยังมีพระหลานตรงตังสาบโกดเป็นขกล้านสีพวกนี้เล่นบวดกันเป็นปีๆคือเพศอักรางตายก็อัรขางนี่แล้วสุดปลายสุดแค่ไร ขอให้พวกเราเราได้นึกดูบ้างว่าจะเตรียมตัวทำบ้านเรือนให้เกิดในภายหน่หรื อ, อยังเรื่องโสดาม้ขยานนี้ท่านดูรู้ตนของต น, นถ้ายัางไม่รู้ก็ทำการมั่น ทำการมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นอันนี้ก็ยุติเข็ุตัวนี้ขอ้ญาติโยมนี้ได้ฟังคำมะคำจำตอนของพระองค์ข้องให้รู้แจ้งแงทนตลอดพระธรรมคำจำสอนให้ได้หมักสีทุนสีนิดหนึ่งได้คนรับรับร่างกาย ก็เป็นโซดาไม่รู้ว่าเท่าไรเป็นอ น, นาคาก็เล็บผูได้เล็บก็ปรากฏเล็บกูได้พระโซดาไม่รู้ว่าเท่าไรนับมปทวนอกอกผูได้อธิอธิกเยเกซาลุมาว่างคำคำคำสวดว่าเง อธิกอธิกยเกสาลงมาคือเห็นเห็นเกสาพ่มแล้วลวงลุกอธิกยเยก็กายแล้วก็หลกศรีรษปรากฏผู้ปฏิบัติ เรื่องไอสัตว์ปรากฏความตายปรากฏนี่แล้วก็บรรุกโสดาสกาิจะอนนาคา่าหรือแปรหันมันสะจมะเนเ็นปลงผมพามิโกนจดลงผมผมล่นลงไปที่พื้นได้เกษาผมเป็นพปรหันเลย เมื่อเราเข้ากรรมฐานอยู่เป็นหนึ่งนิดนั่นหละเป็นเหตุใครได้สึกขัดที่สุดมันต้องมันทำนี่แหละทุกคนเราเนี่ยที่จะพ้นทุกข์เสียคามหาสมุทรได้ก็ตัวสมุทรไทยนี่มหาสมุทรแปลว่าพวงพวงโอคะคือมันสกัดกัน ถึงราคาสังยชน์ทำามยังนีขึ้นได้แล้วเนี่ยสามารถมันจะต้องดับเป็นระดับไปเลยไม่เกิดกับผู้ปฏิบัติเป็นตกกระแสของพระเจา้ามีควรควรกับพระกราจริงๆ ที่พระองค์เทศบรรลุธรรมะบรรลุถิงส0 0 3ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพวกได้ฉานแล้วทั้งนั้นพวกได้ฉานแล้วทั้งนั้นพูดเรื่องความเกิดดับเห็นเห็นเรื่องอะไรสักก็เห็นควตายที่ตนเราที่เราอยู่เราเข้าเนี่ย อย่างหนึ่งท่านว่ามีโอภาษหรือแสงสวามเกิดขึ้นแล้วูุ้ปปฏิบัติกสินสิบมัสุภาสิความตายความตายหนึ่งวัน2วัน3าวัน4วัน5าวัน6วัน7วัน8ปวัน9กวัน10วันหนังแตกหนังเปร้นัง ยืมเนา่ากระดูกหลุดเป็นข้อเป็นตอนเป็นหลุดสีโขรงหลุดข้าวหลุดแรงกาจิกนกกระรุมจิกสกกินนี่ในข้าเรื่องอย่างนี้ปฏิบัตินักข้าเข้าอย่างนี้ ท่านให้บอกให้เจริญพรหมวิหารสีเต่นี่เจริญพรหมวิหารสีต่ต่ามีสลดสังเวชจิตสลดสังเวชนี่ก็เรื่องอริสัต์ทั้งนั้นเห็เนนกกรกลุมแรงกาจิกกินจบหมาครับไปโน่นท่อนนี่ท่อ น, น ปฏิบัติต้องให้เห็นเหมือนกันในแบบต้องให้ตรงกับแบบที่เขียนมันถึงไม่ตรงใจเราต้องเอาเวียงนี้เลยทีนี้ใจสลดสลดสังเวชสังเวชข้ามีใจสลดหนักขึ้นสลด วิเวกหวังเวงอยู่ในป่าชาวัดพื้นถึงพอเรามีปรากรนักปฏิบัติคืนหนึ่งนี้ไม่หลับเลยดูชาวบ้านนี้เงียบติดดึงวิเวกนักขึ้นพราในผ่านผ่านเข้ามาแล้ววิเวกหนักขึ้น พอใจวิเวกหนักขึ้นเราก็มีความรู้มากนี้เข้าทางกลางวันทางกลางคืนทางกลางวันกลางคื น, นมัตยับตัวเองไม่อยากพูดอยากคุยใครเอารมณ์น้อยขึ้นอารมณ์น้อยขึ้นไม่อยากพูดอยากคุยใครหนะักขึ้นพวกขวหรืบานเาอยากพูดกับใครเนี่ย ไม่อยากพูดกับใครเพราะไม่อยากพูดกับใคเองกับมืออารมณ์นี้มันหน่อยไม่อยากพูดกับใครทีนี้มันก็มานาสัยการความใสใจอยู่กับธรรมะเลยทีนี้เมื่อเราทีนี้ นินักขึ้นจะผ่านผ่านไปทางเรื่องนรกก้อนเนือก้อนเนือไปเลยไปไป ล, ล่ไปลายแนวนักขึ้นอรหาเต์ปฏิกูลสัญญาเกิดกำหนดทับในกายนี้กำหนดกำหนดทับรากออกมาเลยให้รากออกมาได้ แล้วตับใจเฉยๆไม่เกลียดไม่วนวายเอาออกมาดูได้เลยดูในนี้พอแล้ว อ, ออกขับออกมาดูเคลื่อนลงมาเลยนี่นะเราจะบอกใครรู้นะพวกเราเนี่ยเราเปิดเผยมากระหว่างหนิน คนเราลูกศิษย์เรานี่ไม่รู้ไม่รู้หัวใจเราไม่รู้หัวใจเราว่าเราแค่อะไรไม่รู้เราพูดเหมือนเล่าเล่ามีทานเล่นเราปฏิบัติ สิทธิ์ของเรายังไม่ผ่านมันไม่ผ่านมามันผ่านกันบ้างลเล็กไม่น้อยเราจะไม่พูดซะบ้างก็จะไม่รู้กันเลยลูกศิษย์เยวแยะ เราคนมั่งก็ไม่รู้เด้วก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นตัศ mm hmm. ี์ศรีตัศน์เราเปล่า้ธรรู้ทำดิทำเด็กจะสอนถ้าเรารู้ไม่ได้เราก็จะบอกว่าเราหมดความรู้แค่นี้ลูกศิษย์มีความรู้มากเราก็ชมเชยลกสิ ถ้าลูกศิษย์ไม่ได้ทำมุทธมะนี่ไม่รู้จักเราไม่ว่าองค์ไหนมดเนี่ยทำไมได้ธรรมะรมเป็นไม่รู้จักเราเป็นแน่นอนเ<ม>พงรู้จักเราด้วนเฉพาะธรรมะเองท<ม><ม>ําไม่รู้จักเราก็เพิ่ไม่รู้จักว่าที่พึงอาศัยของเราก็ มัเป็นที่พึงอาศัยของมูรู้สึกได้ครับไม่รู้จักถ้ารู้จักนั่นแหละจะสนิทกันได้ถึงจะรู้จักกับําพูดกันได้ว่ารังจะมาพูดกับคนไทยนี่มันยากแขกจะมาพูดกับคนไทยก็ยาก กันไมรูรื่องทีปัตติกโกเป็นของโออวดธรรมะของพระองค์ได้โอเป็นในยิโกน้มมาดูในตนของตนได้น้อมดูที่ของไกลๆมาดูใกล้ๆได้ไอ้ดูที่ของไกลๆมาดูใกล้ๆนี่ง่าย ไอ้ดูคงใกล้ๆให้เห็นเนี่ยมันเห็นยากไอ้คงใกล้ๆน้อมเอา ม, มาทิ่ใจนี่ง่ายไอ้คงที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยน้นเห็นยากผู้อยู่ที่นี่ใจกว่าเนี่ยคืทงนี้ก็ไม่หนู เลี้ยวไปงนี้ก็ไม่เห็นหูนะแะแต่รู้ว่าหูอยู่ที่นี่รู้ว่าหูซ้ายหูขวาแต่ตานี่ไม่เห็นเลยนะเห็นไหมเมืเม่อไรเราหลับตามีความสว่างเห็นชัดจะเห็นได้ทำไมหลับตาไม่เห็นเลยนะพอหลับตาเราจะสมมูรจิตไว้ใกล้ แล้วจิตจะเห็นจยากขู่วิญญาณยาณ น, นีจ้จะเห็นที่ใกลไกลได้นี่อธิบายของที่ผู้ผ่านธรรมะแล้วก็ไปทำตามไปทำตามไปทำตามเดี๋ยวจะได้ไปทำรู้ได้แล้วก็ เราก็พยายามทําให้เข้าบ่อยๆทีนี้พอเข้าลุ่นี้เรียบร้อยดีแล้วเราจะเริญกรรมฐานธ า, ธาธตุรมฐานธาตาุํากรรมฐานธาตุให้เกิดธาตุาสีดินน้ำลมไฟให้ปรากฏกับผู้ปฏิบั ทีนี้จะได้ความตัวตนมันจะได้รื้อสังขาญทำไปทำไปจนโลกกดลงนี่มันดับยัียวไม่ไดับเราก็ฝึก อ, อย่างนี้ที่เรารู้เห็นนี้ให้เป็นเป็นอาวาสิจึงเรียกว่าอิทธิเรียกว่าฉานนสมาบัติ แล้วเจริญนิอิทธบาตอิธิบาติสอิทธิบาตรสี่คือหม่เข้าเข้าฉานออกฌานทีนี न, ้องค์ที न, ่ว่าอติกายเยกซาหรือว่าเข้าเข้าฉานตัวนี้ทําทำไมเป็นโรคไอนี้แล้วเป็นอรูปฌานเป็นโรคฌานทีนี้น้ำทำที่ได้นี่เป็นอรูปฌาน มีความรู้ปฏิบัติอรูณประจันมีความรู้เข้าได้คลองแกลอารูป์านเข้าจันแล้วพิจารณามาวิตกวิจารย์พิจารณาอารมณ์อิเลตนาดับนี่เรียกว่าพิจารณาอนิภาปนอารมณ เรานี่มีความเมตตาประชาชน ม, มากเกันเพราะเราเรียนเราเรียนโสมิฮันสี่ไว้เราจำคําั้งซ้อนของพระพุทธเจ้าหลักว่าให้เจริญโสมิฮันสี่โสมิฮันสี่เป็นเครื่องอยู่ของผูยย้ใหญ่